เพราะความสุ่ความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องวิมานวัตถุคือการศึกษาเรื่องของวิมานต่อไปในวิมานที่จะกล่าวในที่นี้จะเป็นการกล่าวโดยสรุปเพราะมีมากวิมานด้วยกันส่วนมากแล้วจะเน้นไปในด้าน อานิสงส์ของการถวายฐานแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าก่อนจะถวายนั้นจะต้องเกิดจิตศรัทธาเริ่มใส่ขึ้นมาแล้วจึงถวายและสิ่งที่นำมาถวายนั้นก็ไม่ค่อยจะมีาราคาค่า ง, งวดอะไรมากมาย่นบางคนอาจจะถวายอ้อย เพียงท่อนเดียวถวายขนมเพียงอันเดียวเพียงชิ้นเดียวหรือถวายอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกิดศรัทธาคือความฝ่องใสทางใจขึ้นมาก่อนแล้วท่านก็ถวายมีวิมานหลายวิมานที่น่าสนใจในรายละเอียดอย่างวิมานหนึ่ง พระโมคคลลานะไปสอบถามท่านท่านบอกว่าการที่ท่านต้องมาเกิดอยู่บนวิมานนั้นเรื่องมันปีมีเพียงว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปพบกับท่านและแนะนำให้ท่านถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะแต่ท่านเองก็ยังไม่มีศรัทธา ต่อมาเมื่อแยกจากพระพุทธเจ้ามาก็เจอโจรแย่งชิงทรัพย์แล้วก็ทุบตีท่านในขณะที่โจรทุบตีท่านเห็นว่าไม่รอดแน่ใจมันก็ย้อนนึกถึงพระพุทธดำรัสที่ตรัสให้น้อมใจถึงพระรัตนตรัยเป็นสรนะแต่ถ้าก็นึกถึงก็ตอนนั้นเองก่อนที่จะดับจิต จิตก็ยังระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอยู่เราทำให้ท่านมาบังเกิดในวิมานแล้วก็เรียนถวายพระโมคกัลลานะว่าเราขอให้กราบทูลพระพุทธเจ้าด้วยรือท่านจะมาเฝ้าด้วยความสำนึกถึงพระคุณของพระองค์ที่ได้ช่วยท่านไว้ ว, วิมานข้อนี้แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้านั้นสุงรู้ว่าท่านผู้นี้จะต้องตายในขณะนั้นแต่มองแล้วก็ไม่มีเห็นอะไรเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเลยเวลาก็ฉุกระหุกจวนใจเต็มทีจึงเสด็จไปแนะนำให้ถึงประรัตนตรัยเป็นสารณะไปแต่ก็จิตใจของท่านยังไม่พร้อมคือยังกระร่างอยู่ตอนนั้นก็เลยทำไม่ได้ ตอนนี้จะเห็นว่าเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของคนคือไม่เข้าอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตจริงๆแล้วก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยนึกถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลอะไรอย่างที่พระอาจรยาถาจารย์ท่านกล่าวไ ว, ว้ว่าคนเป็นนันมากพอเกิดภัยคุกคามเกิดอันตรายขึ้น ก็จะนึกถึงวัดนึกถึงศาสนานึก ถ, ถึงพระแต่ชีวิตส่วนมากก็จะใช้ให้เพลิดเพลินไปตามอารมณ์ของตัวเองท่านผู้นี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้แต่จุดเด่นอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของความไม่ประมาทแม้ทำให้เกิดขึ้นได้เพียงชั่วขณะหนึ่งมันก็ตัดปัญหาที่ น่ากลัวอันตรายไว้ได้สมมติว่าท่านไม่ยอมถึงยังกระด้างอยู่ไม่ยอมถึงพระรัตนใจใดถ้าก็ต้องไปไม่รอดเป็นธรรมดาเพราะไม่มีบุญกุศลอะไรเอาไว้แล้วมีวิมานอยู่อีกสองวิมานซึ่งเป็นเตตีนะฮะเป็นเทพธิดานี่ก็เป็นคนใช้คนใช้ที่มีนายที่ดุด้วย มีอะไรก็คุกคามทุกตีอยู่เรื่อยต่อมาวันหนึ่งนี่ท่านเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระมหากัสปะนะครับเห็นท่านไปบินธบาตก็เลยถวายอ้อยให้ท่อนหนึ่งนายเป็นมิจฉาทิฏฐิมายินดีในการกระทำของคนใช้ เลยก็เอาไม้ตีตายท่านก็ตายไปด้วยความเชื่อมั่นในบุญในกุศลที่ท่านได้กระทำเอาไว้ในขณะนั้นใจก็ไม่ได้เหนียวนึกถึงอะไรมันนึกถึงบุญกุศลส่วนนั้นถึงก็มีเพียงเล็กน้อยแต่ว่าท่านก็ทำด้วยศรัทธาของท่านตเต็มตามสติกำลังทาให้ท่านบังเกิดในพิมาน อีกวิมานหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของเทพที่ดาเหมือนกันท้าสกะเทวราชถามเองเอท่านเล่าว่าท่านเกิดศรัทธาเลื่อมใสต้องการจะไปบูชาพระาธาตุของพระพุทธเจ้าก็ในขณะที่เดินไปนั้นยังไม่ทันถึงพระาธาตุ ก็ถูกงูกัดตายแต่ว่าใจเองก็ส่งไปถึงพระทาตอยู่แล้วก็ทาให้ท่านเกิดในสวรรค์วิมานท้าสกะก็ชี้แจงให้เทพปุติเทพธิดาทั้งหลายเห็นคุณค่าของบุญกุศลว่าให้ท่านทั้งทั้งหลายจงดูบุญกุศลของเทพธิดาตนนี้ว่ามีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เมื่อบุคคลได้กระทาในวัตถุที่เลิศ เขาก็ได้สมบัติอันเลิศเขาทำด้วยจิตที่ผ่องใสเขาก็ได้สิ่งที่ผ่องใสลักษณะของบุญกุศลท่านจะพบว่ามันมีลักษณะเป็นกิริยาปฏิกิริยาคือมันมันมันจะมีอย่างที่เรากระทำไว้อย่างในวิมานหนึ่งนั้นเคยถวายแกงปูพระแล้ก็มีสั ญ, ญลักษณ์ของวิมานเป็นรูปปูอยู่ซึ่งก็จอะอกกแปลกดีเหมือนกัน นี้ก็เป็นเพียงความตั้งใจวิมานนี้เพียงเป็นเป็นเพียงความตั้งใจแต่ยังไม่ได้กระทำก็เรียกว่าเมื่อเมื่อมโนรถยังไม่เต็มตามปรารถนาคือความความปรารถนาของใจนั้นยังไม่เต็มตามที่ต้องการจะทำแต่ว่าใจก็ส่งไปเช่นนั้นทำให้ท่านดได้บังเกิดในวิมานเป็นเทพธิดา แล้วก็มีวิมานแนวนี้เป็นจำนวนมากนะฮะทั้งเทพประบุเทพธิดาก็สรุปว่าเป็นการถวายทานมีในที่หนึ่งมีเทพธิดาองค์หนึ่งท่านบอกว่าท่านทำได้แต่เพียงการถวายทานแต่เสียดายที่ไม่ได้ฝังทำเพราะฉะนั้นจึงขอให้พระโมคคัลลานะเทระช่วยแสดงธรรมให้ฟัง ปัาว่าทำไมท่านจึงต้องขอฟังทำด้วยเพราะว่าเมื่อบังเกิดในบีมานแล้วท่านเกิดแตกต่างกับคนอื่นในด้านอายุวันลนะและโดยเฉพาะก็คือรัศมีที่แตกต่างกันเทวดาก็มีการประกวดประขันกันคือเมื่อแข่งเพราะว่าเทวดาเหล่านี้เป็นพวกกามาวจรท่า น, นั้นก็ยังมีกิเลสอจึงขอให้พระโมคคัลลานะแสดงธรรมะให้ฟัง เพื่อจะเอาอานิสงส์ของการฟังธรรมเป็นการเพิ่มอายุวันณนะคือโดยเฉพาะคือรัศมีวันณนะเนี่ยเพิ่ม ร, รัศมีของท่านให้มีให้ทัดเทียมกับบุคคลอื่นหรือใกล้เคียงกับบุคคลอื่นพระโมคคัลาณะก็แสดงธรรมะให้ฟังวิมานหนึ่งเรียกว่าเรวตีวิมานเรวตีวิมานเป็นวิมานที่ออกจะแปลกคือว่า เจ้าของวิมานนั้นไม่ได้ชื่อวเรวดีเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในตอนต้นพุทธสมัยเมือเ่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงพาราณสีแต่ไม่ใช่ประทับคราวแรกนะคราวที่พระโมกคัลลานะบวชแล้ว ค, ค, คือมาในคราวที่ที่สองที่สา ม, มามีมานพท่านหนึ่งชื่อวนันทยะมานพเป็นลูกในสกุลสมาธิพ่อแม่ให้การศึกษาอบรม มาเป็นอย่างดีก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาปฏิบัติบำรุงพระพุทธเจ้าในความธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่สม่ำเสมอต่อมาก็คนที่เกี่ยวข้องเป็นญาติกันคือโดยเฉพาะแม่ของท่านเองต้องการจะให้แต่งงานกับหลานสาวของท่านที่ชื่อว่าเรวดีแต่นั้นทญาไม่ชอบเรวดีเพราะว่าเรวดีเป็นคนที่ก้าร้าว แล้วก็มารคริษยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่สนับสนุนในการให้ทานในการฟังธรรมในการปฏิบัติกิจ <c oughs> ประจำวันของท่านนะจะเห็นว่าถ้าแต่งงานกันไปก็คงจะไม่ได้สุขเลยพวกนี้ก็ต้องวางแผนให้นางเรวดีนั้นเสียแซงหรือทำเป็นคนดี เห็ว่าสนับสนุนการให้ทานในความก้าวรา้าวรุนแรงต่างๆความอิจฉาทิษยาเป็นต้นก็ปกปิดเอาไว้จนนันทยะเองก็หลงทางในที่สุดก็แต่งงานกันพอ แ, แต่งงานเป็นสามีภัญญากันแล้วก็ออกลายเต็มที่แสดงบทบาทเหมือนเดิมคอยขัดขวางตัดรอนการกระทําบุญนํากุศลของนันทยะอยู่ตลอดนันทยะเองแก่ก็แข็ง คือมีความมั่นคงเมื่อเห็นว่าพัญญากลับมาเป็นเช่นนั้นท่านก็มุ่งทาบุญกุศลก็แยกกันคนหนึ่งเข้าวัดคนหนึ่งเข้าวิทย์ก็ไปกันคนละทางต่อมาท่านนันทิยะได้สร้างศาลาจตุรมุขขึ้นถวายพระพุทธเจ้าที่อิสิป ต, ตนะมฤคทายวัน นางเรวดีพยายามขัดขวางทุกวิธีทางแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ต่อมาถึงวันฉลองวิหารฉลองศาลาจตรมุขของนันทิยะมานพนั่นเองนางเรวดีก็ตายก็คงจะเพราะแค้นอะไรไม่ทราบก็มียมาบาลมานำนางเรวดีนั้นไปดูวิมานแล้วบอกว่าเป็นวิมานของนันทิยะมานพ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการสร้างสาราเจตุรมุกอุทิตพ ร, ระพุทธเจ้านางเลวดีก็จะขอเข้าอยู่เพราะถือว่าเมื่อเป็นวิบาลของสามีก็ชื่อว่าเป็นวิบานของแกแต่ยมบาลก็ไม่ยอมในที่สุดก็ น, นำไปสู่นรกนันยะเองก็ฉลองสาราอยู่ที่อิสิ ป, ปตนมฤคธายวัน ต่อมาพระโมคคัลลานะเทระได้ขึ้นไปแล้วก็พบวิมานะมีแต่เทพธิดาไม่มีเทพบรุติสอบถามทราบความว่าเป็นวิมานของนันทิยะมนุษย์ถ้าก็นำเรื่องเหล่านี้มากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเป็นไปได้หมายที่คนซึ่งทำบุญแต่ตัวเองยังไม่ตายวิมานกลับเกิดรออยู่ในสวรรค์ พระพุทธเจ้า ก, ก็รับสั่งว่าก็เธอไปเห็นมาเองแล้วจะมาถามเราทำไมอัไนหนที่สุก็แสดงเป็นพุทธภา ษ, ษิตว่าบุญกุศลที่บุคคลกระทำไว้ในโลกนี้ย่อมจะต้อนรับบุคคลผู้จากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นเหมือนญาติพี่น้องอันเป็นที่รักซึ่งจากกันไปนาน แสดงความชื่นชมยินดีต้อนรับต่อยาติที่จากไปนานซึ่งกลับมาสู่บ้านของตนเะนั้นนี่ก็เป็นลักษณะอีกประการหนึ่งซึ่งชี้ให้เห็นว่าบุญกุศลที่บุคคลกระทำเอาไว้นั้นหรือบางครั้งเราก็เกิดรออย่างที่เคยเล่าถึงอุบาสิกาคนหนึ่งที่ท่านเกิดศรัทธาเรื่อมใสในศาสนาอย่างแรงเพราะว่าท่าน สลบไปแล้วก็ไปเห็นสถานที่อยู่ของตนในชาติต่อไปบุญกุศลจะคอยต้อนรับบุคคลผู้นั้นเหมือนกับญาติแต่เป็นตัวอย่างที่ทรงเชี่ย้เห็นได้ว่าญาติพี่น้องเราจากกันไปนานหลายปีพอกลับมาถึงบ้านต่างคนต่างก็ชื่นชมยินดีมาเยี่ยมมาเย็น ม, มาทักทายปราศัยกันบุญกุศลก็จะต้อนรับบุคคลที่กระทําบุญเอาไว้นะครับ จากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นเช่นั้นดังนั้นในกรณีนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในธรรมบทนี่หลายเรื่องด้วยกันก็แนวเดียวกันที่ว่าบุคคลกระทาบุญเอาไว้นั้นย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเพลิดเพลินแล้วย่อมเพืิดเพลิพพพนในโลกทั้งสองพะมาระลึกถึงว่าบุญเราได้กระทำไว้แล้ว <c oughs> คือจะมีความมั่นใจ ในตัวเองแกลากัรเราจะไปในที่ไหนมีเงินมีทองในการเดินทางมียาดพี่น้องมีพักพวกอยู่ในจุดนั้นนั้นเรากม็มั่นใจว่าเมื่อไปถึงสถานที่นั้นก็จะไม่เดือดร้อนลักษณะาการต้อนรับของบุญกุศลก็เป็นเช่นเดียวกันอีกวิมานหนึ่งนั้นเรียกอัมพควิมานอันนี้แปลกอายุนานจัง พระอนุรุธทธะเถระไปพ่กษตเทระบุตอง์หนึ่งตนหนึ่งมีวิมานสวยงามประดับประดาตกแต่งวิจิตพิสดารเราไปอุทยานที่กว้างขวางล้วท่านเอาข้าไปสอบถามว่าทำบุญกุศลอะไรไว้จึงมาเกิดในสถานที่นี้ ท่านบอกว่าในอดีตการสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามวาสุชาตะท่านได้ออกบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่เจ็ดพันษาต่อมาร้อนผ้าเหลืองอยู่ไม่ได้รลยสึกศึกแล้วก็ทำตัวเป็นมักกทายกแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยเงินทองอะไรเป็นพวกววยาวัจมันะฮะช่วยช่วยเหลือขวนขวายในกิจการที่เป็นกุศลต่างๆ จะมีกิจการที่เป็นกุศลก็ช่วยบอกกล่าวแนะนำชี้แจงให้คนทราบว่ามีการทำบุญทำกุศลอย่างนั้นหรือว่าไปชักชวนเขาตัวเองมีเท่าไหร่ก็สนับสนุนกันไปตามสติกำลังแต่ว่า ง, งานหลักจริงๆนั้นก็คือช่วยเหลือเขาเรียกว่าเป็นบริการทางกายทางวาจามากกว่าที่จะทาเป็นชิ้นเป็นอันด้วยตัวเอง งานของท่านก็เป็นลักษณะของเวียวยาววั จ, จหม่ช่วยเหลือผลนขวายในกิจการงานที่ชอบที่ควรก็ทำให้ท่านเกิดอยู่ในวิมานอันนี้ก็ลองไปเช็คดูเหมือนกับที่เล่าให้ฟังในวันก่อนก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เรานับจากพระพุทธเจ้าเราไปนะเป็นองค์ที่16ก็ไกลไม่ใช่เล่น อา น, นิสงส์ของบวชเจ็ดพันษากับบญวาตชจมัยทำให้อยู่ในสถานที่นั้นอยู่ตั้งนานเหลือเกินซึ่งก็หมายความว่าทั้งตอนบวชแล้วก็ตอนเป็นคารวาตท่านก็ทำดีด้วยกันจุดสำคัญก็อยู่ที่ผลของความดีที่บุคคลเหล่านั้นได้กระทำไว้อีกท่านหนึ่งมาถึงเทพบุตรหน่อยเทพบุตรไปอยู่ข้างหลัง ตอนข้างหน้าก็มีแต่วิมาขก็เทพที่ดาตั้งนั่นเลยเออนี่เทพประุตรอีกตนหนึ่งนั้นอีกองอีกตนหนึ่งนั้นองนี้พระมคคลานะไปพบกั น, ก, นก็เป็นคนร่วมสมัยกับพระมคคลานะคือคราวหนึ่งพระเจ้าปัสเสนพระเจ้าพิมพิสารท่านต้องการจะเสวยมะม่วงนอกกระดูนายอุทยานบาลของท่านรับอาสา จะผสมสูตรมะม่วงนอกกระดูให้ถวายเพราะผสมไปแล้วปรากฏว่าก็มีมะม่วงงอกขึ้นมาออกลูกมาสี่ผลด้วยกันท่านก็เก็บมะม่วงเพื่อจะนำไปถวายพระเจ้าพิมพิสารแต่พอเก็บเดินมาก็มาเจอกับพระมหาโูคลานะก็มาคิดว่า ถ้าเราจะถวายพระราชามันก็ได้รังวันได้เงินได้ทองแต่ถ้าถวายพระโมกคลานะก็จะเป็นบุญเป็นกุศลที่จะติดตามตนเองแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันถวายแล้วอาจจะถูกฆ่าก็ได้เพราะว่าไปรับคำสั่งมาจากพระราชาให้ปรุงมะม่วงให้เสเวยเลยก็เลือกเอาจะเอาบุญกุศลหรือจะเอาถูกฆ่ากันแน่ แล้วตัดสินใจข้าเป็นข่าขอถวายไว้ก่อนแล้วกันพระโมกกข ล, ลานะท่านเป็นพระอรหรันต์ที่ก็ชั้นยอดฮนะอันดับสามรองจากพระพุทธเจ้าเมื่อท่านรับมาแล้วท่านก็เอามาถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็แจากให้ภาษารีบุตรพระภาษารีบุตรพระมหากรสปะก็รสรุปว่า สวยกันองค์รบผลอ่ะเสร็จแล้วแกก็ไปกราบทูลให้พระเจ้าพิมิสานสงสาบพระเจ้าพิมิสารนั้นท่านเป็นพระเรียบุคคลระดับโสดาบันพอทราบข่าวแทนที่จะกริ้วก็เกิดชื่นชมยินดีอนุโมทนาในการกล้าตัดสินใจยอมสละชีวิตคือแกคิดตอนแรกนั้นคือคิดว่าตายนะ เพราะมันขัดพระบรมราชโองการเพรา ะ, ะนั้นไอ้สิ่งที่ถวายมันจึงเป็นมะม่วงเพียงสี่ผลเท่านั้นเองแต่อย่าลืมถึงเจตนาของท่านเจตนาที่ท่านทำนั้นคือยอมตายจึงเป็นเจตนาที่เสียสละและแรงมากแ้วกเองแรงมันก็ผลมันก็แรงพระเจ้าพิมพิสารได้พระราชทานบ้านสวยให้ หมู่บ้านหนึ่งคือให้เก็บสวยเอาเองก็กลายเป็นคนสบายไปในชาติปัจจุบันอันนี้ก็อย่างที่เคยพูดเรื่องสัมปทาคุณนะฮะแต่ว่าใน4ีองค์ที่ฉันม่วงไปก็รายละเอียดไม่ได้บอกว่าองค์ไหนออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆบ้างสัมปทาคุณในการให้ทานนั้นมีอยู่สีประการคือวัตถุสัมปทาท่านที่รับ ท่านที่รับทานนั้นเรียกว่าเป็นทักขินยบุคคลชั้นที่บริสุทธิ์ก็ต้องเจนเป็นชั้นพระนาคามีกับชั้นพระอ า, ารักขัแล้วปัจจยสำปทาคือสิ่งที่ได้มานั้นจึงได้ภาได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองจริงๆได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุสจริตไม่ชอบไม่กวงใครมาเจตนาสัำปทาเจตนาในสามการคือก่อนให้ขณะให้หลังให้ มีความศรัทธามีความเลื่อมใสพอใจยินดีในความเสียสละที่สืบต่อกันไม่เกิดขยักขย่อนก็เกิดเสียดายเกิดตกใจเกิดเสียใจขึ้นมาในช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วคุณนาติเรกับสำปรธาคือ ท, ท่านที่รับนั้นเป็นผู้ทรงคุณโดยเน้นที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆแต่อย่าลืมว่าทั้งสี่ท่านนั้นเป็น สำคัญทั้งนั้นนะฮะพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระหมหากรตปะพระโมคคัลลานะสี่องค์ก็ทำให้ท่านพวกนี้ได้ผลในปัจจุบันมันได้ผลในปัจจุบันเมื่อท่านตายไปก็ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานแบบยอมตาย เพราะฉะนั้นผลจึงมีทั้งสองชั้นเป็นทิฏฐธรรมคือได้กันในวันนั้นเลยได้ในวันนั้นส่วนที่เป็นทิฏฐธรรมคือคือจากนายอุทยานคนรักษาสวนมากลายเป็นหัวหน้าบ้านสวยมันก็รวยสบายแล้วมีลูกน้องมีข้าทาสบริวารมีคนรักใช้และยุคในสมัยนั้นก็ใหญ่โตแต่ผลที่เป็นสัมปราญาคตคือภายหน้ามันก็บังเกิดในพิมาน ต่อมาอีกวิมานหนึ่งไอ้นี้ก็เป็นามานั่งคิดตัวเลขคือเป็นสหายของนางวิสาขาพระอนรุธเถระไปพบแล้วก็สอบถามสอบถามว่าทาบุญํำกุศลอะไรเอาไว้ท่านผู้นี้ไม่ได้มีอะไรมากนะเพียงแต่ อ, อนุโมทนาใหม่ คือบุญที่เกิดขึ้นจากการอนุโมทนาชื่นชมในการกระทําความดีของบุคคลอื่นในดีตาการนั้นนางเป็นเพื่อนกับ น, นางวิสาขาหมหาอุบาสิกาเนี่แหละเรีวยว่าตอนนางวิสาขาสร้างบุพารามคือนางวิสาขาสร้างบุพารามเคยเล่ามานานแล้วประวัตินางวิสาขานี่ยว่าออมันเกิดขึ้นจากเครื่องประดับระดามารประสาทของท่านซึ่ง เเครื่องประดับที่มีราคาแพงแล้วก็มีน้ำหนักมากคนสมัยพุทธกาลที่แต่งเครื่องประดับนี้ก็มีอยู่เพียงสองคนเท่านั้นเองคือนางมาริกาเทวีเป็นมาเหสีของพันธุระเสนาบดีกับนางวิสาขาคือเป็นสตรีที่มีบุญที่สุดแล้วบดีท่านเกิดไปลืมไว้ในพระเจ้ตะวันถ้าไม่ลืมเองหรอก คือนางทาสีที่ถือเครื่องประดับเกิดลืมและพระานนท่านเก็บไว้เพราะของที่ทิ้งไว้ภายในวัดพระจะต้องเก็บไปให้เจ้าของถึงแม้จะเป็นเงินทองพระเก็บได้นะฮะแต่ไม่ใจเก็บเอาเองนะเก็บไปให้เขาเแต่ว่านางตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่าถ้าพระอานนท์จับแล้วจะไม่เอามาใช้อกีกเพราะนางเคารพพระานนท์มากเมื่อพระานนท์จับ ก็สละตั้งการจะขายเพื่อสร้างวิหารแต่ก็หาคนซื้อไม่ได้เพราะราคามันตั้ง27ดโกรก็ต้องลงกระซื้อเองแล้วเงินเหล่านั้นมาสร้างเป็นบุปพารามทร้งดยทุนกองสวนตัวนะฮะทีนี้เพื่อนคนนี้ก็เกิดชื่นชมยินดีในการกระทำบุญของนางแต่นั้นเองก็ทำให้เกิดในสวรรค์วิมานเหล่านั้น แต่นางนี้ก็เหมือนกันก็รู้สึกเสียดายว่าก็ทำได้แค่ไปชื่นชมยินดีกับการสร้างวิหารของนางวิสาขาแต่ว่าท่านเองก็ไม่ได้ฟังธรรมก็อยู่ห่างๆนะฮะเจียดๆวัดไปมุมๆวัดมาถึงก็เข้าวัดก็เลยตั้งใจจะมาฟังธรรมในพุทธสัานักก็ในที่สุดก็มาเฝ้าฟังธรรมในพุทธสัมนักแล้วก็ต่อมาท่านบรรลุโสดาเทพธิดาองค์นี้ ที่น่าสังเกตก็คือว่ามันต้องหลังพุทธกาลมากเลยพระอานนท์นั้นเป็นพระเทระอยู่หลังพุทธกาลนะฮะเป็นผู้ร่วมในคราวสังขารนาครั้งที่หนึ่งด้วยแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านนั้นเป็นพวกทําสังขารนาครั้งที่สองคือพระเทเรที่มาทําสังขารนาครั้งที่สองเป็นหัวหน้าใหญ่8องค์เนี่ยฮะเป็นลูกศิษย์พระอานนท์โยหกองค์เป็นลูกศิษย์พระอนุรุตอยู่สอง อ, องค์ สังกาาครั้งที่สองนั้นทำเมื่อพอสอนหนึ่งอยปราณนลเมื่อตอนพระพุทธเจ้านิพพานอายุ8ปดสิบท่านเองนิพพานเมื่ออายุ 120. ร2อยี่สเพราะงั้นท่านอยู่มาอีกสี่บปีพระนุนรุษจะอาจจะอยู่ไปถึงหลังนั้นก็ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าสององค์นี้ใครแก่กว่าเออที่น่าสงสัยก็คือนางวิสาขานั้น ท่านก็ตายหลังพุทธปรินิพานเพราะอายุนางวิสาขา120ปีเหมือนกันตายหลังพุทธปรินิพานก็พระอ น, ร, ะอนรุตก็ถามว่าตอนนี้นางวิสาขาไปเกิดในที่ใดบอกว่าไปเกิดเป็นมาเหสีของเท้าสุนิมท้าสุนิมก็เป็นจอมเทพอยู่ในสวรรค์ชั้นที่ชั้นที่ห้านะคก็เป็นคนที่ทาบุญทากุศลไว้มากแล้วก็นางก็ฝาก สั่งขวากพระอนุรุตมาอีกทีหนึ่งเพราะตอนตอนนั้นก็หลังพุทธกาลแล้วนะก็อย่างน้อยที่สุดก็สามสี่สิปีแหละก็ขอให้พระอนุรุตไปบอกกล่าวชี้แจงให้ประชาชนทราบแล้วขอให้พยายามทำบุญทํากุศลเอาไว้เพราะไม่ไปไหนเสียนาวิสาขานั้นท่านทําบุญมากและท่านก็เป็นพระยบุคคลระดับโสดาบันด้วยแล้วก็อยู่สวรรค์ชั้นสูงกว่าท่านท่านเองนั้นอยู่ที่ดาวบันดึง อันนี้ก็เป็นบุญที่เกิดขึ้นจากอนุโมทนาคือพรอยชื่นชมยินดีในการกระทำความดีของคนอื่นเท่านั้นเองเรื่องอนุโมทนานั้นเป็นกุศลแะเจตนาที่เกิดขึ้นแล้วโมทนาก็คืออะไรคือผู้ที่ตานั่นเองความเพลิดเพลินความยินดีความชื่นชมเมื่อเห็นคนอื่นเขากระทำความดี ดูแลก็คล้ายทำง่ายนะแต่แท้จริงก็สาหัสไยทํายากเพราะอะไรเพราะว่าอริษยาภายในใจนี่ก็เป็นกองภูเขาเหลาวกามอนกันเวลาคนก็ทําความดีบางก็อดที่จะริษยาไม่ได้แล้วโดยเฉพาะที่เป็นเพื่อนฝูงกันอย่างนี้ก็เด่นเด่นขึ้นมาแต่ตัวเองก็ไม่เด่นเหมือนเขาแล้วสามารถคุมใจไปได้ ปพรอยชื่โชมยินดีกับเขาได้เป็นการขาจัดอิจฉาริษยาลงไปก็ททำให้คุณภาพใจมีความสะอาดมีความผ่องใสขึ้นด้วยอานิสงส์นี้ท่านนั้นเองที่ทำให้เกิดเป็นบิมาณขึ้นมาได้ครนี้ท่านทั้งหลายจะพบว่าประเพณีของไทยเราแต่โบราณเรามีลักษณะอย่างหนึ่งที่ช่วยกันขัดเกลากิเลส คือตนไปทำความดีอะไรมาก็ตามไปทอดกระิ้นป้าป่าฟังธรรมฟังเทศไรตัวใดก็จะมอบมาบอกให้เพื่อนบ้านใกลเ้เดินเคียงรู้ว่าได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้อันโมทนารับส่วนบุญอีกฝ่ายหนึ่งก็ยกมืออันโมทนาสาธุท่วมหัวรูปหัวด้วยนะฮะแต่ว่าคนในสมัยนี้ถ้าเราไปบอกบอกดีไม่ดีเพื่อนหาว่าอวดอีกมันก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะ ไปบอกแลวหาว่าอวดอย่ามาเสนอหน้าอะไรเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระด้างความกระด้างในด้านจิตใจเพราะคนในสมัยก่อนมันมันอาศัยการฝึกปลือกการอบรมการกระทำบ่อยๆกระทำสืบเนื่องกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยและทำให้จิตใจของท่านอ่อนโยนรือพร้อมที่จะอนุโมทนายกมือสาธุท่วมหัว แม่เพราะเห็นการกระทําของบุคคลอื่นเพราะงั้นถ้าเราไปในท้องถิ่นชนนบทเวลามีขบวนรถอะไรขบวนกระชินการชักพระแห่พระอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ไปร่วมอะไรกับเขาแต่พขาเห็นขบวนก็ยกมือสาธุอนโมทนาสาธุแสดงถึงจิตใจที่อ่อนจนเห็นเขอื่นคนอื่นก็ทําตัวเองก็ไม่ได้ร่วมกระทํากับเขาขออนโมทนาสาธุกับเขา เป็นงานที่ดูเหมือนจะกระทำง่ายนะฮะยกมือสาธุลูกหัวหน่อยแต่ความจริงแนละ้วทำยากมือมันหนักเพระิสยามันกดไว้ทาให้มือหนักยกไม่ขึ้นแต่คนที่กลับทำได้เช่นนี้ก็มีผลซึ่งเกิดขึ้นมากมายไม่เบาทีเดียวต่อมาเท พ, พระบุติอีกตนหนึ่งไอ้นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเนะี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลย คือดูแล้วคล้ายๆจะไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็ท่านก็เป็นไปได้นี่เป็นท้าสกะถามเองคือเป็นเพียงกบตัวหนึ่งเท่านั้นชาติก่อนเนี่ยเป็นเพียงกบตัวหนึ่งแล้วไปอยู่ในใกล้วิหารที่พระแสดงธรรมก็ความไม่รู้เรื่องแน่นอนนะฮะแต่ก็สนใจอยู่ในเสียง ใจก็จดจ่ออยู่ในเสียงที่พระแสดงแต่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วพอดีไอ้ถูกไอ้คนแทงกบมาแทางาตายก็ตายในขณะที่มีจิตไปกำหนดอยู่ที่เสียงแสดงธรรมนั่นเองตายไปเกิดเรียกว่ามันทุกะเทพบุตรก็ท่านคงจะไม่ชื่อมันทุกะหรับเพราะมันทุกะเรว่ากบแต่นั่นเองแต่ก็ เป็นการพูดถึงในชาติก่อนคือชื่อในชาติก่อนอท่านแสดงให้เห็นถึงจิตถึงขณะของจิตที่เกิดความเลื่อมใสใ น, นนี้มันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันนะฮะภิกษุที่ควางอภิธรรมมเทศนาชุดแรกชุดแรกห้าร้อรูปนะฮะท่านเหล่านี้มันก็เกิดอะไรต่อนเนื่องกันมาคือ ในชาติหนึ่งนั้นเป็นข้างข่าวอยู่ในถ้ำพระไปพักในถ้ำพระก็สายายอภิธรรมกันในข้างข่าวก็ฟังกสัตยสัญญานะฮะกำหนดว่าเสียงนั้นนั่นเองเสียงธรรมนั้นนนัแต่ก็ไม่รู้อะไรเพราะข้างขาวจนเครื่อนเพิ่มแล้วก็ตกลงมาตายหมดเลยตายด้วยจิตที่กําหนดอยู่ในธรรมก็บังเกิดในสุคติต่อมาใน พุทธการก็จุติลงมาเกิดในสกุลสาวัตถีที่ในเมืองสาวัตถีพร้อมๆกันนะครับเพราะบุญมันก็ระดับเดียวกันแล้วก็มาประสบเหตุการณ์ตรงนี้จะเคยเล่าอะไรตอนไหนฟังทีเรื่องปลากะปพิละนะเรื่องปลากะปิละที่มีชาประมงก็จับได้จับได้มีผิวเป็นทองแต่ว่าพออ้าปากแล้วกลิ่นเหม็นตลบไปหมดพระเจ้าประเนสนิโกศลก็ นำไปให้พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรพระพุทธเจ้าก็เล่าถึงวิบากกรรมของปลานี้ให้ฟังมันซับซ้อนหลายเรื่องมาต่อกันนะโดยเล่าว่าปลากรบิละตัวนี้เมื่อก่อนก็เป็นพระเป็นพระออกบวชในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระก็มีสิทธิตกนรกเหมือนกันนะก็เบว่กันสี่คนพี่ชายชื่อวสธนะแต่กับแม่กับน้องสาว พระกัปปิละนี้ท่านฉลาดเรียนหนังสือรอบรู้ได้รวดเร็วแล้วก็ลำพองพยองด้วยเอกความรู้ของตัวเองนะฮะกลายเป็นคนก้าวร้าวกะดัางไม่เคารพนอบนอบใครแล้วก็ไม่เชื่อถือวาทะของใครแม้แต่พระอรหันต์คือพระโสธนะน้องสาวกับแม่ก็ตามไปด้วยคือเป็นภิกษุณีเอยพวกนี้เวลาตายก็ตกนรกหมดทั้งสมคนพระโสธนนะก็นิพพานไป แต่ว่าท่านมั่นคงในคุณพระรัตนตรยัยเพราะงั้นบุญกุศลมันก็เออบุญกระบาสมันก็แยกกันอาศัยที่ก้าวร้าวด่า ว, ว่าคนอื่นอยู่เรื่อยเธอทำให้ท่านปากเหมน็นเธเกิดเป็นปลาแล้วก็ปากเหมน็นแต่ว่าอาศัยที่มั่นคงอยู่ในคุณพระรัตนตรัยก็มีผิวเป็นทองเออพระพุทธเจ้าแสดงบุปกรรมเสร็จแล้วก็มีคนซึ่งมาประชุมในชุดนั้นนะ่ะห้าร้อคน ออกบวชไอ้พวกห้าร้อคนเนี่ยคือพวกข้างขาวนะชาตินั้นมันโยงกันมาเป็นแถวคือเป็นข้างคาวแล้วก็เป็นเทพประบุตรแล้วก็เป็นกุลระบุตรในเมืองสาวัตถีแล้วก็ออกบวชเป็นพระตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงอภิธรรมที่ดาบดินก็ลงมาแสดงให้พระสารีบุตรฟังเป็นตอนๆก็ติดต่ออยู่กับพระสารีบุตรไม่ใช่อยู่ตลอดนะฮะติดต่ออยู่กับพระสารีบุตร วันนี้เทศถึงตอนไหนก็ลงมาเทศให้พระสารีบุตรฟังพระสารีบุตรก็เอานาไปเทศได้พวก500ร้อยนี่ฟังแล้วพวกห้านรนี่ได้บรรลุมรรคผลเพราะฟังอภิธรมรมพราะงัมก็เกาะเป็อนอุปนิสัยมาตั้งแต่ต้นคือจากชาติเป็นครั้งข่ า, ขานั้นมีความยินดีอยู่ในอภิธรรมที่กุศลไม่รู้อะไรนะฮะแต่ว่าใจมันปองใสก็ด้วยกุศลนั้นก่อให้เกิดเป็นเทพปบุตรจากเทพบุ ต, ตรลงมาก็จุติมาเป็นกุลบุตรในเมืองสาวัตถี ไอ้ความโน้มเอียงในอภิธรรมซึ่งมันฝังมาตั้งแต่ชาติที่เป็นไอ้ข้างข่าวก็ทําให้เกิดฟังอภิธรรมเรียนรู้ได้เร็วแล้วท่านชุดนี้จึงฟังอภิธรรมชุดแรกบรรลุแต่ท่านท่านจะเห็นว่ามันก็สื่อเป็นหลายช่วงนะฮะหลายหลายขั้นหลายตอนด้วยกันก็เรียกว่าพุทธันดอนหนึ่งตั้งแต่สมัยไม่ใช่พุทธันดรนะฮะกว่าพุทธันดอเพราะว่ามันเป็นยุคก่อนสมัยพระกัตสปะสมาธิาพุทธเจ้าซะอีก อันนี้ก็คือแนวโน้มอัธยาศัยของคนวันก่อนนี่พระหมายก็อาัดเทปเจ้าะคุณสมเด็จไปให้โยมฟังพระหมายก็ฟังเขารู้สึกว่าชื่นชมนะฮะพระหมายที่วัดนี่เขาขยันมากสมเด็ดจเจ้าคุณสมเด็จอบรมตอนบ่ายโมงนี่เขาอัดเทปไว้แล้วก็ไปลอกแล้วก็อัดเทปแจกจ่ายกันเอาไปโยมฟังฟังไม่รู้เรื่องเลยโยมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อะไร นี่แสดงว่าแม้ห่างวัดจังเลแต่ว่าคนที่บวชมาเพียงเท่าไรละ่ะเขาบวชจะไม่ถึงสมเดือนนั้นเองแล้วเขาฟังเข้าใจเกิดความซาบซึ้งเกิดความยินดีก็แสดงว่าเอวุปนิสัยเนี่ยเป็นตัวการสำคัญเพราะงั้นถ้าเราดูไอ้ข้างคากระกบซึ่งก็เป็นสัตว์ด้วยกันแต่ว่าก็ธรรมสัญญากาหนดว่าธรรมะเท่านั้นเองไม่ได้รู้อะไรนอกไปจากนั้น แต่อย่าลืมว่าความผ่องใสของจิตก็ทําให้ทั้งกบเกิดเป็นเทพบุตรไอ้ข้างคาก็เกิดเป็นเทพบุตรด้วยความผ่องใสไอ้กรรมประเภทนี้อย่างที่เคยพูดในมหากรรมพังกสูตรว่าเป็นอาสนกรรมคือกรรมเมื่อจวนจะดับจิตแล้วก็ทําให้ตัวเองไปเกิดด้วยกุศ ล, ลกรรมเหล่านั้นแต่ถ้าเรามองดูเมื่อเราเทียบกับเทพบุตรอัมพะวิมานอย่างที่ว่าตะกีนเนี่ย ช่วงมันห่างกันเพราะว่าครัง้งคราวนี่ฟังพระสาธยายในสมัยคือก็ต้องหลังอตอนพระกัสจปะนิพานแล้วนะฮะลืมไปตอนพระกัจจปะนิพานแล้วพระเอ๋อพระกัจจปะสมมาสพุทธเจ้านะฮะไม่ใช่ประมากัจจป ะ, ะท่านก็อยู่ได้ช่วพุทธันดรเดียวแต่ต้องเกิดตั้งสองครั้งนะฮะต้องเป็นเทพบุตรอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ลงมาสมัยพุทธการก็มาเกิดเป็นกุลบุตรในเมืองสาวัตถี แต่อัมพาวิมานซึ่งสมัยย้อนพระพุทธเจ้าไปอีกสิบหกองยังอยู่บนสวรรค์อยู่เลยยังอยู่บนสวรรค์ แ, แสดงว่าไอ้น้ำหนักของบุญนั้นไม่เท่ากันน้ำหนักบุญไม่เท่ากันพวกนั้นหนักกว่าเยอะเพราะว่าอาศัยการบวชอยู่ตั้งเจปีด้วยแล้วก็ขนขวายช่วยเหลือในกิจกรรมที่เป็นกุศลด้วยแต่ถ้ามองเปรียบเทียบแล้วก็เสียโอกาสเหมือนกันนะฮะ ไปอยู่วิม า, านแต่นานๆพระพุทธเจ้ามาเกิดตัวเองก็ไม่ได้มาฟังทงทำอะไรแต่ไหนพวกนี้กลับไปได้บรรลุมรรคผลเป็นพระราหันต์ไปได้เลยเกิถ้ามองกันในแง่วิมานไอ้พวกนั้นก็ดีกว่าแต่ถ้ามองในแง่มรรคผลพวกนี้ก็ดีกว่าเอออีกท่านหนึ่งนั้นในนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะพูดวาจาที่ไพเราะ อ, อ่อนหวานท่านั้นเองคือจะไม่พูดคําหยาบกับใครๆ วันก่อนเนี่ยมาไปดูศาลาที่สร้างเนี่ยครก็ไปพบกันนช่างหัวหน้าที่ควบคุมเป็นคนที่ที่ว่าใจได้นะฮะซื่อสัตย์เดือเกินเพราะว่าแกโกรธคนไม่เป็นเป็นคนโกรธคนไม่เป็นไม่ว่าใครว่าไงนั่งยิ้มเฉยไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้องกับใครๆเลยและอาศัยจิตใจกันอย่างเนี้ยลูกสี่คนเยี่ยมหมดเลยเรียนหนังสือชั้นเยี่ยมหมดเลยมาเข้าสูต่บ้านเรือนสะอาดนักปราชมาเกิด บันเรือนสกปรกสัตว์นรกจะมาเกิดตัวเองตัวเองเป็นเป็นเป็นกรรมกรแต่นั้นเองแต่ว่าจิตใจแกดีเหลือเกินแกทำสารานี่แกคุมจนลูกน้องนี่ก็ะดิกกระเดียไม่ไหวนะเลยเลขึ้นสะนิ้มนิดนึงก็ไม่ได้ต้องขัดออกก่อนทายต้องล้างให้สะอาดผิดสูตรนิดเดียวไม่เอาปูนผสมเกินไปสามสิบนาทีไม่ให้เทเอาคุมคุมแข็งเดียเลย ถามว่าทาไมยังทำเช่นนั้นแกบอกว่าเพื่อไม่ให้มีมนทินใจเพราะถ้าหากว่าทำมันเกิดมีอะไรบุกพร่องสักหน่อยแล้วมันจะเป็นมนทินใจเราได้เงินเองจริงแต่ว่ามนทินใจนั้นจะกัดกร่อนใจเราตลอดไปความคิดลึกซึ้งมากและเกินเพราะงั้นเป็นคนที่วางใจได้นี่เพราะอะไรเพราะว่าเงินพื้นอัธยาศัยพื้นอัธยาศัยที่คนเราแต่ละคนก็เก็บสะสมเอาไว้ไม่เหมือนกัน แน่นอนเขาจะเกิดอาจจะเกิดด้วยอังกุศลกรรมไปหน่อยอได้ตระกูลที่ไม่มีลักษณะเอื้อมนวยให้มีความสุขความสบายแต่ว่าอัตยาสายพื้นฐานทางใจดีได้เกิดก็บอกก็าบางทีลูกพี่ก็ดา่าค่ะหมงยงเจิงอายุเขาน้อยกว่าด้วยนะลูกพี่เขานั่งฟังเฉยไม่เดือดร้อนอะไรเลยแล้วมันได้เก็บกฎอะไรเนี่ยบางก็ออกมาที่ลูกลูกสี่คนดีหมดเรียนดีหมดความประพฤติก็ดี เรียนดีได้ทุนกันนะก็มัน ก, นก็ก็เป็นเป็นเป็นตัวอย่างที่เราเห็นกันได้ในปัจจุบันบ้านเรือนส ก, กปกสรกสัตว์นรกจะมาเกิดมีสองชั้น ห, หมายความว่าในชั้นบ้านช่องที่อยู่อาศัยแต่ว่ามันส ก, กปกรกรงรังจิตใจเราก็ไม่สบายสาัตว์นรกก็มาเกิดช่วงหนึ่งอีกช่วงหนึ่งก็คือเรือนใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ จะให้ลูกดีจิตใจจะต้องดีนะอย่าลืมว่าพระนางมายานั้นท่านรักษาศีลห้าก่อนพระโพธิสัตว์จุติเลยเป็นฐานรับรคนระดับอัจริยะลงมาเกิดเลยก็ได้ลูกดีเราสามารถเลือกลูกได้นะอย่าไปคิดว่าเลือกไม่ได้เราเลือกให้ลูกมาเกิดได้แต่หากว่าเราดีดีนี่คนเร็วๆไม่มาเกิดเพราะฐานใจเราดี รักษาศีลประพฤติตนเป็นคนสุดจริตเอาไว้นะคนพานเขาก็ไม่เกี่ยวข้องนะเหมือนคนพานไม่เข้าวัดอ น, นะครับเหมือนก็คนพานไม่เข้าวัดนอกจากมันเข้ามาปล้นพระอะไรต่นนั่นก็ว่าเรื่องหนึง่งดังนั้นในด้านจิตใจที่สะอาดบ้านเรือนสะอาดนักบวชจะมาเกิดมัน ก, ก็เหมือนกันถ้าลองสังเกตนะฮะว่าถ้าบ้านช่องเราสะอาดสะอ้านในความคิดความอ่านได้บันนพองใส มันคิดอะไรได้รวดเร็วแต่ถ้ามันรกรุงรังแล้วก็คิดอะไรก็ไม่ค่อยเดินจิตใจก็ไม่สบายอันนั้นก็ชั้นหนึ่งนะฮะนโกสวรรค์ในชีวิตประจำวันอีกชั้นหนึ่งก็คือการที่จะได้คนหรือสภาพจิตของเรานั้นดีชั้นหนึ่งแล้วอีกชั้นหนึ่งก็คือคนที่จะมาเกิดเป็นลูกเป็นต้านี่คมันจะได้คนดีมาเกิดคานพูดถ้อยคําที่อ่อนหวานเพียงอย่างเดียว ก็ทําให้มาเกิดบนวิมานได้เป็นวจีสุดจริตข้อเดียวนะฮะวจีสุดจริตข้อเดียวข้อที่สคือพูดวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานกับคนอื่นไม่สยิ้วหน้าไม่ใช้คําหยาบคายรุนแรงต่อบุคคลอื่นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเจ้าพคุณสมเด็จสังราชเจ้ากรมหลวงชินวรนสิริวัตรวรราชโภพิศนะฮะหมายถ้าหากว่าเรื่องสาหัสสาการเนี่ยท่านจะรับสั่งว่าประเดี๋ยวฉันโกรธนะ มีเรื่องคอขาดบาดตายก็ขาดบาต า, ะขข า, า, ตาจะรับสั่งอย่างนั้นเท่านั้นเองไม่มีคําที่แรงขึ้นไปกว่านั้นจะรับสั่งมาประเดี๋ยวฉันโกรธเนี่ยคนทั้งหลายต้องรู้นะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะปะกติจะไม่รับสั่งอย่างนั้นเลยเป็นพระดํารัตที่ไพเราะอ่อนโยนอยู่เสมอจริงในการพูดตัวคำไพเราะอ่อนหวานเป็นคําพูดที่สบายๆถ้าสร้างขึ้นเป็นอัธยาศัยมันก็เป็น เป็นหมาเสน่หมานิยมอยู่ในปัจจุบันและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือมันสร้างกิจสันดานมันมันมันสะท้อนมาจากกิตสันดานที่อ่อนโยนนะฮะสะท้อนจากกิจที่อ่อนโยนเพระถ้าจิตไปอ่อนโยนวาจาจะอ่อนโยนไม่ได้แต่ตรงนี้ตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าปากปราดใสน้ำใจเชิดคอปากหวานคนเปรี้ยวนะันมันอีกสูตรหนึ่งเฉพาะสูตรนี้สูตรที่วาจาเป็นเช่นกับน้ําใจอย่างที่ท่านบอกว่าหอนยัาตรสระเสดสีวาจา วาจาที่เป็นเป็นกับน้ำใจคือใจคิดอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้นนี้ก็ทำให้เทพประบุตรงนี้เทพประบุนะฮะบังเกิดบนวิมานได้ด้วยการพูดเฉพาะวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานเท่านั้นอีกวิมานหนึ่งก็คืออุตรวิมานอุตรวิมานนี่ก็เคยเคยล่ามาครั้งหนึ่งแล้วนะฮะ ในเรื่องเรื่องเรื่องราวในศาสนาเนี่ยถ้าเราอ่านยิ่งอ่านพระไตยปิกให้มากนะอัตรกระถายมากแล้ววันจะชนกันเป็นแถไปหมดเลยบางทีนี่มันข้ากันไปตั้งหลายชาติคนนี้ปรากฏในชาตินี้ตอนนี้เป็นเรื่องคนนั้นคนนั้นแล้วต่อมาก็เกิดเป็นชาตินั้นชาตินั้นเลยเป็นการเชื่อมต่อกันแต่ว่าเวลาแสดงไว้ในที่หนึ่งนั้นท่านจะแสดงเฉพาะจุดหนึ่งเท่านั้นเองจุดไหนที่ต้องการต้องการแสดงท่านก็นเน้นเฉพาะจุดเดียวโดยไม่ได้กล่าวจุดอื่นด้วย เพระาะฉะนั้นเมื่อเราเราต้องการจะดูในจุดอื่นเราก็ต้องตามไปดูในจุดนั้นว่าท่านพู้นี้มีบารมีมาเป็นอย่างไรทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะพบว่าท่านแสดงเอาไว้อุตรมานบนั้นอย่างที่เคยเล่าเรื่องปายาสิราชัญยสูตรตอนต้นๆที่บรรยายรปสูตรอุตรมามนพเป็นพวกเวยาวัจจะใหม่ คือทำงานตามหน้าที่ตามคำสั่งของพระเจ้าปายาสิให้เป็นคนจัดโรงทานจัดโรงทานให้พระเจ้าปายาสิพระเจ้าปายาสิที่เคยเล่าเรื่องท่านถกเถียงกับพระกุมารกัปจสปคือท่านไม่เชื่อเรื่องโลกหน้ามีสวรรค์นรกมีท่านมีวิธีพิสูจน์ของท่านแบบหัดรุโหดที่สุดเลยเจ่นว่าจับคนเป็นเป็นมาชัมแหละดูวิญญาณมันออกตรงไหน โดยจับคนไปขังเอาไว้ก่อนจะตายนะจับคนขังปิดเอาไว้แล้วดูทางออกของวิญญาณอะไรเนี่ยคือท่านทำพิลึกพิลึกท่นเอาเรือ เ, อเอคนที่ก่อนจะตายมาชั่งแล้วก็ตายแล้วมาชั่งเห็นว่าตายแล้วน้ําหนักมากกว่าอะไรเนี่ยคือคื อ, ค, อ, ค, อ, ค, อ, ค, อคือท่านพิสูจน์ด้วยแล้วก็ในที่สุดท่านก็นสรุปว่าไม่มีการไม่มีการไปเกิดไม่มีสวรรค์นรกเครึ่งพระกุมารกัจสปได้ชี้แจงอันนี้รายละเอียดอยู่ในปาญาสีราชนั ญ, ญสุดอุตตรมานพ เมื่อท่านจำนนต์ต่อเหตุผลที่พระกุมารกัสถะแสดงแล้วก็ปรารถนาสวรรค์เหมือนกันแต่ว่าจะนียังเหนียวหนืดเลยก็มอบหมายให้อุตรามานบช่วยทําทานให้ตัวเองไม่ทํำคือแสดงไม่ได้ศรัทธาอะไรทั้งเลยก็ของที่ถวายนั้นของที่แจกทานไม่ใช่ถวายนะคือแจกบ้างถวายบ้างก็แล้วแต่ใครเป็นทำนองการตั้งโรงทาน ของเศรษฐีทั้งหลายในสมัยก่อนนะพระโมกขลานาไปพบกับอุตระอเทพบุตรก็สอบถามผลบุญผลกุศลท่านก็บอกว่าชาติก่อนนั้นท่านเป็นผู้จัดการโรงทานของพระเจ้าปายาสิพระเจ้าปายาสิมอบหมายของที่แจกทานนั้นเป็นของที่เศร้าหมองคือเอาของเลวๆมาให้นะฮะนี่ก็ขึ้นอยู่กับประเภททานเนี่ยประเภททาน ท, ที่ที่เคยบอกว่าธาสถานคือเอาของเลวให้ สหายทานเอาของที่เรารับประทานให้สามีทานเอาอของที่ดีกว่าเรารับประทานให้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะชั้นของทานอันนี้นี่นเน้นเฉพาะวัตถุท่านท่านอย่าลืมว่าองค์ประกอบจริงๆมันทั้งปัจจัยคือทั้งบุคคลที่รับทั้งปัจจัยที่เราให้ทั้งเจตนาในการให้องค์ประกอบมันมีอยู่สามแต่ตรงนี้ท่านเน้นเฉพาะวัตปัจจัยคือสิ่งที่เรานํามาให้แต่นั้น พระมองซึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าพระกวัมปติไปพบพระเจ้าบายาสิปรากฏว่าอยู่ในเซริสกะวิมานที่ว่างไม่มีอะไรก็ได้วิมานเหมือนกันหลังจากตายไปแล้วแต่เนื่องจากกุศลนจตนาอะไรมันก็หย่อนหยหมดเลยท่านก็ได้แค่นั้นอุตราวิมานกลับอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งสูงกว่าเจ้าของทานซึ่งอยู่ชั้นจาตุมาราช เพราะอะไรเพราะอุตตรามานพรมด้วยความศรัทธาจริงๆแล้วก็มีอะไรของตัวก็ทําไปเพราะงั้นจึงมีอยู่สองฐานนะฮะเป็นฐานอเมยกับวยาวัจจะไม่ว ย, ยาวจจะไมคือช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานที่ชอบทำํำแต่ทําด้วยกุศลแจิตฮนะเอาจิตบวกเข้าไปในการกระทำซึ่งเอาจิตบวกนี่สําคัญมากนะฮะแล้วมายังมองปัญหาเวลานี้ว่าตามตาม่ตางจังหวัด เราจะพบว่ามันเกิดมีช่องอะไรขึ้นมาซึ่งน่าห่วงเมื่อก่อนนั้นกิจกรรมของวัดแต่สำนองขนสายเข้าวัดอะไรเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราทำก็ด้วยความสมัครใจเอาใจบวกเข้าไปเกิด้วยศรัทธาเรื่องสายจริงๆเวลานี้หาได้ยากแล้วเพราะทำแล้วแกจะต้องคิดเงินทั้งหมดเลยคิดเงินกับวัดกับวาก็เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ดูหน้าคนกันแล้วเวลานี้ กิจกรรมแนวนี้เราจึงหาได้ยากถ้าต้องการจะให้คนช่วยวัดมันก็ต้องมีเงินให้เขามีรางวัลอย่างน้อย ก, ก็มีรางวัล น, นะฮะแต่ว่าจะทําเฉยๆแบบทํานองคนทายเข้าวัดนั้นดูจะหายากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามองอามาอย่างนึกว่าเรารับไอ้ไวัฒนธรรมค่าทิพย์ค่าเถบอะไรของไอ้ฝรั่งนี่ฮะมันทิพย์ทิพกันจนบางทีมันก็ไม่ไหวแล้วก็ตีเป็นเงินไปหมดเลย ไอ้น้ำใจมันก็แห้งแรงไปข้าเขาน้ำใจเลยก็ไม่เคยมีเราก็คิดกันเป็นเงินกันหมดเลยแม้แต่ว่าสถานที่ต่างๆที่เราควรจะช่วยเหลือมันก็แสดงออกมาแคบหมดนะแคบหมดไอ้พวกเวยา์วัจหมายเลยมันไม่เคอยออกเราดูง่ายๆว่าอย่างบ้านบางบ้านนะครก็ไม่ต้องออกไปไกลเดินในกรุงเทพก็เจอแล้วมีหลุมอยู่หน้าบ้านเอาอะไรเศษอิฐเศษหินที่ในบ้านมาถมสักหน่อยก็ไม่ได้ จริงมันเป็นเบียร์ยาวว่าไม่นะเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งอะไรก็ต้องดา่าปู่เทียมมาตอนนี้ย่าแย่โดนด่าจังซึ่งที่จริงถ้าเราขวนขวายหน่อยมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะไอเศษอิเศษหินอะไรในบ้านบางคนจะมีบ้างอย่างน้อยก็ดินเดินได้แต่อะไรเนีมาสมๆอย่าง น, อ ก, น, นอกอย่างน้อยก็รถไปมาติดอยู่หน้าบ้านล้านหนวกหูแต่เนื่องจากไอความขาดแคลนน้นําใจเนี่ยเราก็ขาดแคลนกันมากอาจจะเป็นพระสภาษสังคม ซึ่ง อ, อาจจะเยียดนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็จิตใจของคนนั้นก็อย่างหนึ่งแต่ความเห็นแก่ตัวอะไรต่อไรเนี่ยหรือว่าถุระไม่ใช่ถือว่าเราเสียภาษีแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยสารพัดอย่างแต่ความคิดตอนนี้ก็เป็นอุปสรรคขัดขวางปิดกั้นโอกาสของเวีญญาวจัจหมายระยะเลยเรื่องที่พอน่าจะทํากันได้ก็เลยก็กลับทําไม่ได้เราดูพวกเวีญญาวจัจหมายทั้งหลายที่เอาใจบวกเข้าไปนะ แม้แต่อาพระวิมาณที่ว่าตม่กี้นะที่ที่ที่ท่านไปช่วยเหลือบอกกล่าวการบุญการกุศลของบุคคลอื่นเนี่ยท่านก็ได้วิมานนะเพราะอะไรเพราะมันขจัดกิเลส ท, ที่ยากมากนะเวลาวจาจนะมยมันขจัดความเห็นแก่ตัวจิตสันดา น, ะ เ, ปนเป็นเป็นเปนการขูดออกมาจากจิตสันดานจริงเลย คนเราถ้ายามใดที่ยังเห็นแก่ตัวอยู่เราจะช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานที่ชอบทำของกฤติยศไม่ได้ถ้าช่วยเหลือก็ช่วยเหลือเป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้แม้แต่หน้าวัดบวรเองนะฮะมีบริกรช่วยจอดรถหาที่จอดรถให้แยะเลยบางทีจะมามาจากข้างนอกวัดเนี่ยเด็กยังไม่ยังมาบริการหาที่จอดรถให้เสร็จแล้วพอบริการเสร็จนะฮะยืนโบกมือหน่อยก็เหยียดมือขอตาง มันเป็นธุรกิจเอาวัดเราเป็นที่หากินไปเลยแล้วไม่ดูว่าบางบางทีพระในวัดนั่นเองนั่งข้าวมาแกก็แบมือนบะมือขอสตางค์กับคนขับแนละมันก็ก้าวหน้าไ่จะเล่นนะก็เรียกสะสมจิตสันดานไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้ว เ, เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ทำง่ายแต่ทำยากวิาวัจรไมเป็นกิจกรรมที่ทำง่ายแต่กลับทำยาก อย่างที่เคยเล่าเมื่อวันก่อนนะพูดวิมานก่อนเรื่องเจตนางสันธมิตาก็พวกวยยาวจมัยคนก็ต้องการไปบ้านประสยัยหัตเศรษฐีก็ช่วชี้ทางให้แ้วท่านั้นเนี่จริงๆก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ถ้าเราถามว่าทำกันได้ไหมทำยากนะคนในปัจจุบนนันเองแม้แต่กรุงเทพอย่างที่เคยเล่าที่บางลำพูรู้จัก2อ้านเนี่ยมันมีครูหาขั้นอีกครูหาหนึ่งสองร้านเนี่ยมันไม่รู้จักกัน แล้วเด็กเราเนี่แกโตมาตรงนั้นนะฮะที่จริงแต่แกไม่รู้จักกันเป็นเรื่องที่มาดใจจันมากสังคมของเราเนี่ยคือจิตใจเราคับแคบโลกมันยังเท่าเดิมนะฮะแต่คนมากขึ้นก็นทําให้ใจแคบขึ้นโอกาสของการทําบุญทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยในเรื่องวิมานที่จริงก็เป็นบุญชั้นพื้นพื้นฐานธรรมดาเท่านั้นเองเพียงแต่คนแสดงความมีน้ําใจออกมาเราก็ทําได้ตลอด เดินไปเห็นเศษแก้ววางอยู่ก็หยิบไปใส่ถังขยะที่ไหนเป็นบุญแล้วเวลายาว จ, จะไม่แล้วนะไม่ได้เรื่องลึกซึ้งอะไรนักหนาเลยเพราะฉนบุญจึงเป็นสาธารณะท่านอย่าลืมว่าบุญนั้นเป็นเป็นอะไรเป็นกุศลกรรมที่สากลคําว่าสากลไม่ได้อะหมายความว่าชาติไหนก็ทําก็ตามมันเป็นสากลมันเหมือนกับเครียอ ก, กรรมกิเลสให้ได้โปรดสังเกตว่าในแง่ของกรรมกิเลสแล้วเออ ท่านท่านเอาแค่ปานาอธินากามีมุสาท่านั้นไม่ได้เอาสุราเพราะอะไรเพราะสุรานั้นมันต้องประมาทัานาด้วยก่นมันอยู่ในจุดประมาทัศานาเดี๋ก่อนจึงจะเป็นกรรมกิเลสถ้าจุดหนึ่งมันจะเป็นอบายมุกท่านั้นเองเวลาพระพุทธเจ้าแสดงในหลักปฏิบัติของชาวบ้านนะจะมีเพียงสี่ข้อ แต่ว่าการฆ่าสัตว์รักถ้าประพฤติในการมพูดเทศนั้นเป็นบาปสากลไม่ว่าที่ไหนก็ตามชาติไหนก็ตามเป็นบาปสากลเพราะฉะนั้นพอมองในแง่บุญมันก็เป็นบุญสากลเป็นการกระทําดีที่ขัดกลาวจิตใจนะขัดกลาวจิตใจขจัดอย่างวยญวจมาลย์ก็ขจัดความเห็นแก่ตัวพลอยชื่นชมยินดีพวกนี้ทําง่ายมากนะที่จริงพลอยชื่นชมยินดีนี้ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยทําใจให้ชื่นชมยินดีแต่นั้นเอง ทำใจไม่ต้องยกมือท่วงหัวก็ได้ทำไมก่อนยกมือท่วงหัวแล้วก็ลูบหัวไปหลังที่จริงก็เย็นดีนะฮะก็ลูบไปนะมันแสดงให้เห็นว่าพื้นใจเราถ้าพร้อมเนี่ยโอกาสง่ายมากเลยเวียยาวิจัยไม่เนี่ยเวียยาวิจัยไม่กับอจายกับป ร, ประตานโมทนาไมยนะฮะคือพลอยชื่นชมดีๆในการทำความดีของเขาเนี่ย เป็นเรื่องที่ทำง่ายแต่กลายเป็นเรื่องทำยากเพราะอะไรเพราะริษยามันกัน้นปัตตานโนวทฒนาใหม่ไว้แล้วก็ความเห็นแก่ตัวมันกัน้นเวียวัจจะใหม่ไปพอถ้าทาจริงจริงเราจะดูจะจะเห็นจากตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมด น, นอกจากอํานวยความสุขให้ในปัจจุบันแล้วยังส่งผลไปถึงสวรรค์วิมานได้พวกนี้ไม่ต้องลงทุน ล, ลงแรงไม่ต้องจ่ายสตางเลยแม้แต่บาทเดียวนะ่ไม่ต้องจ่ายสตางเลย คล้ายๆเรื่องง่ายแต่กลายเป็นเรื่องอยากเพราะริศยาก็เบอร์เลเธอรเป็นภูเขาความเห็นแก่ตัวก็เป็นภูเขาอยู่ในจิตตั้งสองตัวเลยมันเป็นภูเขาที่ขวางกั้นเอาไว้ถ้าขาจัดได้มันก็ได้วิมานได้สวรรค์วิมานแล้วก็ได้กันในชีวิตปัจจุบันนี้เองนะซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นเครื่องสองอนาคตให้เราประสบสิ่งเหล่านั้นในการอนาคตต่อไปนี่ก็เพื่อจะให้ได้สัสดส่วนกันเพราะพูดเรื่อง เบต ว, วัตถุมา3ครั้งนะฮะก็ให้วิมานก็ครบสาครั้งเสียด้วยต่อไปก็จะเป็นเรื่องประสูตรในส่วนอื่นๆสมัตินี้ก็ก็ยุติดไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกัน